ความไม่รู้จักประมาณไม่มีเมืองพอมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษตะว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือโดยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวและเพศของมนุษย์มันก็มีเนี่ยที่ว่ามันะ มีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเพียงลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนุษย์เราก็ไม่มากนะักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเพียงเดียวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษฤกิเลศความไม่มีเมียงเมืองพอ กมีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นขแขนงและเป็นรากเง่าเข้าหมวลของกิเลสทั้งนั้นมาทําใหม้มนุษย์เราในหมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องยิ่งเก็งควันขวาอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริง แต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตนาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาจัตตทั้งหลบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่และทางก็จ ะ, ะนั่นหน้าที่ของพระตลอดวิญยารยาตการแสดงออกต่างๆจึงมีแปลกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเหล่ายอมจะ แสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแก่จรเรียบร้อยแล้วยึงแสดงออกมาภายนอกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พินิจพิจารณากันว่าสิงใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจิตการงานของพระเราที่จะต้องทําตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไปนอกจากนั้นงานประจําอันเป็นงานสําคัญ หรือหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการบำเพนะ็ญภาวนารักษาสิกขาบทยิไนไนน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนัก บ, บวชของเราไว้โดยดีลอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านกิตตะภาวนาะเดินจงกรม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 แม้ที่สุดเมื่อจิตไดรับยรความสงบตามภูมิของตัแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคำวยกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเขาา้าพากจิตอยู่ด้วยความสงบนี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราอันเป็นอัตตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านใจตรอง ในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภ า, ายในทั้งใกล้ทั้งไกลอริยานาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้พิจารณาเลือกเฟ้นไตรกองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ให้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระ เลือกเฟ้นตัดออก่อนโดยลําดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแค้ ว, ว่าสิ่ง น, นั้นไม่เป็นสารคุณอันใดนอกจากจะเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนักเพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเตียนโลกไปหมดเพราะ คิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาวกเยียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั้นเนี่ยตลอดเวลาจนรานาพรืดไปหมดมกระแสะของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจึงต้องคิดไปในสิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะ ห, าห้ามสิ่งเหล่านี้ ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเปลี่ยนนั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทําทางกายใดก็ตามทาัทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องเลยพิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจึงจะดำเนิน ง, งา น, นนั้นๆไปได้นี่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 ติดแนบกับใจในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวตัตสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดยาวนานและจะเป็นไปอย่างยืดยาวนานให้สั้นลงไปดูลำดับลาดับจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่ง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 เราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลสให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลําดับและกิเลสดับไปเป็นขั้นๆตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประธานทำแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชํ า, าระจ่าสางเพื่อเบำบางภายในจิตใจของตร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 มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดปั้นหันแหละสิ่งที่กีดขวางลวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลําดับลำดับๆๆใจย่อมจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่เป็นของหนักกดถ่วงติตใจนั่นแหละเ <c oughs> มื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านั้นไปเป็นขั้นๆตอนๆจิดย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความปลองสายมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญนอกจากนั้นก็กล้าหาญชานไฉ พันชวากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเอ็นไม่ถอยเนี่ยว่ากล้าหาญเต็มเต็มที่เพราะเหตุไหลเพราะเชื่อกำลังสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนเมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกลิ่งไปโน้นกลิ้งไปนี้หยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปุกไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นแล้เกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการท่องเที่ยนในวัตถุสารเหมือนลูกบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกลิ้งไปกลิ้งมานั่นแหละนี่ก็คือกิเล่มันถีบมันเตะจิตใจของเราให้เข้าสู่ภพนั่นเข้าสู่ภพนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติด้วยความไม่มีปัญญาเครื่อง คัดค้านต้านทา น, ทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อจิตใจได้บ้างเลยนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติจงทําความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมออยาได้ละปล่อยวางหน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเล อ, เลอทั้งหลายยิ่งกว่า งานของเราที่ทำด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสรเิฐเตื่อโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทำอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอใยแล้วจึงแนะนำอุบายวิธีต่างๆนี่มาสอนพวกเราให้ดำเนินตามจงดำเนินตามหลักของศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธทางสันังษชานิ ทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆขึนขน้นไปเรื่อับจะปรากฏขึ้นมาจากอีกใจจากนั้นก็ยิ่มุติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดําเนินของเราให้เป็นไปตามครองอัดครองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่แต่ต้องเป็นไปอย่างนั้นสําหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนึกถึงธรรมเป็นหลักใจเสมอ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 เราจะมาล้างมือเปลือบเอาเฉยๆมันก็ขัดต่อสาระที่ท่านเคยดําเนินมาอย่างไรแล้วขัดต่อธรรมคาสงสอนคำพูดที่เจ้าดุจผู้มีความเพียร น, นั่นแหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกไปได้ความไม่เพียรแต่จะหลุดพ้นจากทุกนั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคําสอนคำพูดเจ้าไม่มี เราจรึงไม่ควรเอาความอ่อนแอทอดถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นค่าศึกต่อความเพียร น, นั้นเข้ามาใช้ในวงการปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อาศาสนธรรมและหลักของศาสด า, าที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตลอดการดําเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นค่าศึกต่อท่านด้วยเป็นค่าศึกต่อาศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นค่าศึกต่อเราโดยจบงให้พากันยึด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 เวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าหวงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทํางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความตรวจ่อต่อกันขแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไรตลอดถึงกิเลสขาดเป็นลักเป็นตอนแต่ก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุก ป, ประเภท ไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำะระซักฟอกจิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหวยไม่ดิ้นรนกัดแกล้งเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าต่างตาทําหน้าที่การ ง, งานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกันกบกจิตที่กําลัง ยิ้หอยร่อยแรงยุ่งเห ย, งหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะ น, นําจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลถลายไปเติมสัญญาอารมณ์มันเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาภลาห้ตีม้าในสร้างซ่าสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทํางานด้วยความสะดวก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 หรือกเลสมันจนกรอบเป็นมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแก้วกล้ามากมีความอาจหานมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาน ร, รู้เหตุผลของตนมาโดยลำดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกระหารคานไยัยมีความกรยิมต่อ ง, งานของตนที่เคยทามาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตาย นี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบาสมถะนี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีต้อนจิตที่มันกำลังผาดโผนโลดเต่นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจำนนต่อปัญญาเนี่เวลาใดขณะใดที่เราจะควรนำมาใช้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 มันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วเพอ่าตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายจึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนได้เกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจความทุกข์ความลำบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิดปกขาเลยไม่เห็นโทษ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 ด้วยความภาคเพลี่ยนมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นชี่ว่าทุกไม่ทุกที่ไหนนอกปจากเบญจขันธ์กับจิตใจที่ซัพปัดซัมพันธ์กันอยู่นี่เป็นสําคัญถึงคนพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดความ ว่าจะมีความสุขความสบายชำราญมานใจในพบนั้นพบนี้มันเต็มไปด้วยทุกอันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วอวิชชาปัิยาสร้าง่าราสร้างฆาราปัิยาวิญ ญ, ญาณนังจนกรทั้งถึงนุนนะชราปมราราโซกัเปเอเทวะทุกขโมัสุปายยาสัปปิตุขาอุวาไปอย่างนั้นนั่นนับปลายขมันผลของมัน เป็นประจากอาวิชชานี่แหละตัวผิดทุกทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกก็คือยิเด็ดตัณหาสว่าถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้วทํำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นไปในตนเป็นไปได้หรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเพผินๆมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพาดูให้กิเลสพาดูให้กิเลสพาทำให้กิเลสพาคิด มันก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของขีดถ้าเท่านั้นไม่ได้เป็นประตามเรื่องของธรรมถ้าทำภาคิดทำพามองทำพับพินิจพิจรารณาแล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเต็งกับความจริงทุกระยะระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนอืมทุกขังอาเดสิจังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันในกิตใจของเรานี้สมุทัยยาอาเยสิจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันบีบ บงังคับไปอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามากคปฏิบัตธหมายถึงอะไรหมายถึงสมาธิิสมาสงปปังโฆแลสัมมาสมาธิเป็นบทสุด ท, ท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดสอ่องมองดูทุกข์ษัตริย์สมุทยรรัยยใถ้าเห็นธะลุ ป, ปุโปรงไปหมดด้วยมากษัต ร, ริย์มีสติปัญญาเป็นสาคัญ แล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลําดับลาดับนิโรดนิโรดคือความดับทุกนั้นเป็นผลของมรรคที่ทําหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไหร่กิเลสตายไปมากน้อยทุกก็ดับไปเรื่อยๆโดยนิโรดก็ทําก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนิโรดไม่ได้ทํางานแก้กิเลสนิโรดมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกก็ดับไปในพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวาระสุดท้าย มันก็หมดชิ้นไปท่านเาเดียวเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเหล่านี้ในสําหรับตําราจะมากน้อยเพียงไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่อไปดูซิ si. ในตำลับตำลาแปดหมื่นสิ่พรัมธรรมขันชีพสมาธิกาที่กิจของสัตว์ของเราของท่านนี้ทัานั้นให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วท่านถึงสอนให้มอง เข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวินิ่งใช้ใค่ควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยตงพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็รู้เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดินผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้งสี่รู้รอบสัจพินทั้งสีนี้แล้ว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 คำดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ่นเชิงแล้วนั้นแหละคือความอดทนของจิตจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสั จ, สจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระสักฟอกกิเลสอันเป็นสมุทยัยยัสสต์ออกจากจิตใจหมดแล้วตแล้วก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็น ทำหลุดพ้นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจึงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้วสัจธรรมทั้งสีนี้ก็เป็นอนั้หมดหน้าที่ไปเช่นมากเป็นเครื่องดําเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความมือสุดล้วนๆนี่อนี่แหละคือการตัดพบตัดชาติตัดกิเลสปัญหาไม่มีเกี่ยวข้องภ า, ายในจิตใจได้อีกเลยแล้วก็ตลอดอนันตการ มันมีการใดสมัยใดที่ทุกที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกที่ตรงไหนอีกในพบนั้นพบนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกจะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติธปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความทาคเพียรอย่าลดละท้อถอยให้เอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่างาน ของพระเหล่านี้นี่พระเรามีงานอย่างนี้นี่งานของพระในครั้งพุทธกาลทั้งมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดมะออกจากสกุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระพุทติจา้าหรือสำนกักใดก็ตามได้มาสดัดจับฟังคําสอนของพระเจา้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทํางานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำนะญ จ, จิตใจนี่แหละงานคือการชำนะ จ, จิตใจ ชำระมันทําไมจิตใจมันเต็มเพราะเรื่ของสปกปรกโรคภุมิรั ง, งภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันน้ำไม่ทวนแล้วจึงต้องชาระสัตวสารและสิ่งนี้จะเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในภพน้อยพบใหญ่มาจึงต้องชาระมันออกให้เหมาะด้วยกิจการทั้งเราที่กาลังดําเนินอยูน่นี้เมื่อชาระเสร็จสิ้นไปแล้ว อดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันมายืดทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยชื่นเชิญไม่มีจุดมีต่อมที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นแหะคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่ามาได้แต่ก่อนนั่นแหละให้เอาลงงตรงนี้ สนใจพินิษฐ์พิจารณาเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตดเป็นสนามรบเป็นสถานที่คลี่คลายดูความจริงเกียสารนมานะขาตันตาตะโจจนกระทั่ ง, ทงอาการสานที่สองมีแต่ความจริงล้วลนๆพันจตัวของเราให้มองลงไปตามติดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไปแล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของจใจเต็มไปคิดสําคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรา มันจงหมดความหมายไปทันทีที่ความเจ็ดสันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลเมื่อปัญญาได้ชะลางเข้าไปตรงไหนตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจรินล้วนๆปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเจ็ดสันปั้นยอต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลยก็รู้ภายในตัวเอง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 ที่อยู่สบายในเราบางโลกกับเราเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระถือนพอสิ้นวรรคของธาตุของถันที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วนันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วถ้ามีความกังวลห่วงใดที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุ ข, ขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดา เป็นบร ม, มสุขที่เรียกว่าปรามังสุ ข, ขังปรามังสุ ข, ขังหมายถึงท่านผู้ดีไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปทานโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรหัวใหญ่เลยอนาฬโยมุติอนาฬโยหลุดพ้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในถ้ำกลางแห่งสัจธรรมทั้งสีนี้เท่านั้น ไม่นอกเหนือไปจากนี้ดูตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นใดมาบอกมาสอนปัตตัจตังเมื่อรู้จำทาอตนหรือสันทิิทโกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปคุ้ปฏิบัติให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียร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 ให้พากันไปปฏิบัติตพูดถึงแก่นนี้ก่อนนะครับมัญญ้ายว้แล้วไปดูที่รถมันมามันกลับไปแล้วลิงน่อ